ให้ดูเห็นเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงแตละอย่างแต่ละอย่างตะอย่างและให้ปรงในความเป็นโโครกให้พิจารณาว่า ก, กายมีอยู่ในสักวว่า ก, กายมีอยู่ที่กายกายอนุปัชิารติสิมญาติมานปัชชิวกายสิติ อจตบวกายันต์ปัศมิญติบียถวะกายันปัิบาติสมุดยตธมะนปัิวากยสุมิติเยธมนปิวากยสติสมุยยธมนปิวากยสติิาาททรากายมีอยู่ใช้สติ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 แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ลักตารตัวตนของเรามันพันไปถึงกิริยาทึ่งซึ่งเป็นหลักของสัจธรรมกิริยาเหล่านั้นแหละเป็นกิริยาที่ท่านให้เรารู้ให้ปอกถ้ากิริยาเหล่านั้นยังไม่โผล่มาเราเห็นแต่เป็นรูปเป็นสีเป็นสันเป็นสันฐานเป็นอะไรก็แล้วตีน<อ>เกิดความกำหนัดเกิดความดีดรักไร่ความทุกข์ก่องทุกทั้งหลายปวกก็ตามมา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 น้ำลายน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือน้ำเงือ่น้ำโมดน้ำคดธาตุน้ำธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวธาตุไฟอบอุ่นในกายของเราธาตเหล่านี้มีสิ่งที่ยืนร้อ้เราเห็นอยู่ธาตุดินยืนร้อ้เราเห็นอยู่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 สังขารกองสังขารคือกองโรงงานตั้งแต่ปัด้ดขึ้นมาประกอบไปนั้นเป็นกองโรงงานกองหนึ่ทงทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดไม่เคยห ย, ยุดผสมกันอยู่นั่นแหละเปลี่ยนมาเรืยเปลี่ยนมาเรืยโตมาเรืยโตมาเรืยโตมาเรื่อยอาศัยดูดไอขุนเลือด เ, อด เ, อดเอนื้อจากแม่ของพ่อส่งมาแล้วมาผสมกับของแม่ตอนนี้หดูดเลือดหดูดเนื้อของแม่ อยู่ในทองแม่ดูเลือดดูเนื้อของแม่โตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมา ม, ามีมีหัวมีปันจักรพันพันจักราขามีหัวมีแขนมีลําตัวมีขามีหัวเป็นปัญจักรขาตามลักษณะการอุบัติของเกิดเป็นนนั้โตขึ้นมาหรือโตขึ้นมาหรือโตวอวัยวะส่วนใดซึ่งจําเป็นจะเกิดมาให้เป็นอวัยวะ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 เราเราได่มนท่านดูท่านเมตตาเมตตามาเราก็ดูเลยเมื่อก่อนท่านสบายดีตอนหลังมาเนี่ยปี น, นี้ออกพรรา ม, มาเนี่ยท่านม็สบาย ด, ดูแลครับแสดงว่าท่านมีมียาดีมีกำลังดีเพราะนั้นท่านมาไม่ได้ดอกแลว้วก็อาจารย์สวดก็มาด้วยกันเนี่ยในขาของท่านทั้งสองน่ะ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 พวกนี้เราก็ไปอีกแล้วเนี่ไม่ต้องขอดอกไปอีกกี่คืนมาลูกหน่ะ